เราก็ได้จินว่าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมแต่เราสาธยายคาสอนของพระพุทธเจ้าชัาเดเจนเหลือเกินไม่จนเลยไม่จนต่อความชั่วที่จะล้อความชั่วไม่จนต่อการทำาดีที่จะทำความดี มีอยู่ที่ตัวเรานี่ความผิดมันก็บอกความถูกมันก็บอกผู้ที่มีการกระทาก็รู้เองผู้มีการกระทาก็ต้องปฏิบัติเอาเองสามารถทำความดีได้รับความชั่วได้มีเครื่องมือ มีกายมีว่าจจมีจิตใจวิธีเราก็ทำความดีปฏิบัติก็เอาเรื่องกายเรื่องวาใเรื่องใจนี้มาทำเวลาเราจะละความชั่วเก่าเรื่องกายเรื่องใจนี้มาละ ว, วิธีปฏิบัติตาม่าไม่ต้องใช้หวัวคิดเหตุผลอันใด พอมทันทีที่เดียวกันนั่นเหมือนุนณจ้จยเปิดปิดในดอกเดียวเปิดก็ได้ปิดก็ได้เหมือนถั่วทอดที่เราเปิดเราดูลอยการไหนไม่ดีปิดได้ปิดได้ไม่ต้องดูลอยการไหนที่ดีๆเราก็เปิดได้ดูไป พ็เราเห็นสิ่งที่ดีไม่ดีแต่อพอผู้ที่ดูนั้นได้บทเรียนว่าถ้าความดีก็ทำามถ้าความไม่ดีก็ละเสียนี่คือหลักการทำความดีละความชั่วเย่งเราทำความดีที่เป็นให้เกิดมาเกิดผลนี้ ก็ยิ่งสะดวกพระพุทเจ้าก็ประกาศอยูบอกอยู่แล้วมีติเปไปในกายอยู่เป็นประจำะติก็มีเป็นความรู้สึกตัวรู้สึกระลึกได้ขณะที่ทำขณะที่พูกณะที่คิด ก่อนจะพูดจะท้งกว่าชิดก็ลึกได้อยู่อย่างนี้อะไรที่เกิดขึ้นเราก็มีเกณฑ์วัดแล้วมีสติควกอยู่แล้วก็รู้ได้สิ่งที่ไม่ใช่ความรู้จักตัวก็เปลี่ยนได้ง่าย ตรงกันข้ามมันขุนแจเปิดเปดนั่นละตรงกันข้ามเมื่าวเดียวกันนั่นถ้าหากเรามีสติตั้งไว้มีความเพียรมีศรัทธามีสติหล่ อ, อย่านถ้ามีสติมีครบแล้วความชั่วแล้ว ยอมความดีแล้วหยุดบริสุทธิ์แล้วแม้มีความไม่ดีเกิดขึ้นก็ไม่ให้เกิดขึ้นแล้วในคราวเดียวกัน น, นั่นตัวนความดีก็เกิดขึ้นแล้วในคราวเดียวกัน น, นั่นไม่ใช่อยู่คนละที่ อย่างที่เราสาธยาพพะสูตร์ในสัมมาวายามะเมื่อกี้นี้มีจัตามีความเพียนมีจติมีปัญญาอยู่ได้คราวเดียวกันนั้นตั้งจะอยู่มีจัทธาเชื่อเชื่อแล้วทำแล้วมันมีเนื้อนาแล้วมีความเพียนก็ผลตกกบ น้ำก็เต็มทุ่งแล้วพร้อมแล้วมีสติเตรียมพื้นที่แล้วปลกลงไปแล้วดูเดือนแล้วได้ปลูกจริงกริงได้ปลูกข้าวลงไปในเนื้อดาจริงกริงดูต้นข้าวเห็นต้นข้าวเป็นอย่างไรดูอยู่ ขณะที่เราดูอยู่นี่ต้องมีเนื้อนาทั้งมีน้าําพอดีทั้งมีต้นข้าวที่ปลูกลงปล่อยมีผู้ดูแลอยู่ข้าวก็งอกงามขึ้นเองไม่ต้องไปบอกไม่ต้องไปเช็ดไม่ต้องไหาเหตุผลก็จะได้ว่าจะขาดทุนว่าจะได้กำไร ไม่ต้องไปยึดวัตจดูดีๆขันขาทุนก็ได้กำไรไม่ใช่อยู่เรื่องที่ป่ายเหตุไปอยู่ที่ต้นเหตุคือเราไม่ได้ดูแลยการปฏิบัติธรรมก็รทำความดีก็เหมือนกันตั้งไว้มีจติดตั้งไว้ที่กายนั้นอะไรเกิดขึ้นมากันลูกเชิ สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสุขบ้างทุกข์บ้างผีดบ้างถูกบ้างก็รู้สึกเรียกว่าเวทนาหรือว่าทุกขเวทนาสุขเวทนาอย่าให้มันถึงกับเป็นสุขเป็นทุกขให้มันเป็นความรู้สชเปลี่ยนอย่านี้หรือว่าปฏิบัติเลยเกิดขึ้นมาที่ไม่ใช่ เฉพาะเรื่องกายมันเกิดขึ้นมีอีกหลายอย่างหล อ, อย่างพัดาปตั้งไว้เป็นเสาหลักเสาหลักทำเลยต้องมีหลักอย่างนี้จะมีหลักมันก็มีที่ตั้งสามารถอยู่ได้ตั้งไว้ตั้งไว้ก็มาตั้งไว้กลับมาตั้งไว้ มันก็มีความชํานานเมื่อมีความชํานานก็เป็นใหญ่มีอํานาจมีอํานาจได้บทเดียนทนได้ความคงทนมันจะงามเพราะสิ่งที่ไม่ถูกต้องความถูกต้องจะ ง, งามแในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเยาวกัษย์เ โดยเปลี่ยนความไม่ถูกต้องเป็นความถูกต้องเราเห็นกระแสผู้ ป, ปฏิบัติทำเห็นกระแสพระนิพพานเจริญสติปัฏฐานเห็นกระแสรพระนิพพานอย่างนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างนี้เห็นจริงๆเห็นความหลงก็เห็นความไม่หลงไปทางความไม่หลงได้เห็นทางแล้ว เห็นความทุกกเห็นความไม่ทุกได้เห็นทางแล้วประทางความไม่ทุกได้แล้วง่ายๆมาจากงามอยู่ในทิงที่ผิดในความถูกนอนในความถูกอย่างงามอยู่ความผิดในความไม่ทุกข์อย่างงามอยู่ในความทุกข์เหมือนพื้นเพบดีที่ดดินดีต้องมียอดปก ้ย่อขึ้นลกก็หรือว่าดินดีเหมือนทอลาไปดูนาหาชื่อนาไปหาชื่อที่นาถ้านาแปลงไหนต้นย่าขึ้นมากมา ก, มากย่างามงามไม่เลยดูแรงเห็นต้นหนัดเฉียวเียวเห็นต้นย่าเขียวเฉียว นั่นเรียกว่านาดีปลูกข้าวงามดินดีถ้าที่ใดนาไม่มีย่านาตรงนั่นก็ไม่ดีเป็นดินเอียดเป็นดินด้านไปแล้วไ ม, ม่ย่าขึ้นทุกวันนี้เขาจะฆ่าญ้ากันกรมมกโซน ให้แผ่นดินนี้ไม่มีหญ้าถ้าแผ่นดินนี้ไม่มีหญ้าสัตว์ก็อยู่ไม่ได้มรคว น, นิพนา์จะเกิดขึ้นเพราะมีตรงกันข้ามกันใดผู้ปฏิบัติธรรมก็ชันนั่นบางคนก็พูดออกมาว่าปฏิบัติไม่ได้กิเลสตัณหามาก อ น, นั่นไม่ถูกต้องไม่ใช่ไม่ใช่คำพูดออกมาจากความถูกต้องเป็นการพูดบ้าจากคันผิดเป็นคนล้มเหลวแล้วทำยากทำง่ายถามเรื่องยากเรื่องง่ายเป็นคนล้มเหลวแล้วแล้วคนมีเป็นนักการทำต้องทำจริงจริงถึงงานก็ทํามันจึงสำเร็จ มีงานให้ทำปฏิบัติธรรมมีงานให้ทำหรือว่ามีสติตั้งไว้ในกายถ้ามันหลงก่งานเกิดขึ้นแล้วจะเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้คือลาะควชั่วเลาะอกุศลอกุศลไม่เกิดแม้เหมือนเกิดขึ้ น, นก็หมดไปกุศลเกิดขึ้นกุศล ที่เกิดขึ้นแล้วก็จเจริญมากขึ้นตั้งอยู่ไม่เลือเล่อนเดือนง่องามไผยบุญเต็มโลกอย่างนี้เป็นธรรมชาติที่มันมีการกระทำที่ว่ากรรมฐานนี่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลิขิตสิ่งที่ให้เกิดความดีจนถึงมรกถึงขนได้จะให้กระตกบกฟ้องตรงนี้ มีประโยชน์ถ้าไม่ทาตนนี้ให้เกิดเข้าเชื่อมประโยชน์เป็นคนลอบในดางอุศลทําประโยชน์ของตนให้เสื่อมด้วยต้อประโยชน์ของคนอื่นให้เสื่มด้วยยิ่งพวกเราเป็นนักบวชจวบว า, ารามไม่ฉันได้นุ่งห่มชีวร ได้ฉันดาหารได้อยู่เืยนาสะนะชีนาะเปศะท้องคนทั้งหลายเราได้ที่ให้เราก็าสูวนเปล่าประโยชน์ทั้งสองฝ่ายถ้าเราทำความดีเป็นพูดเปลี่ยนความลาเป็นความดีปฏิบัติธรรมมันก็ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายอันนี้สงหญยกุศลให ญ, ใหญ่นี่จึงเป็นงานที่ชอบที่สุด เาราใดที่ได้ละความชั่วต่อหน้าต่อตาต่อทำกับมื อ, อ, อ, อมันผ่อใจยอยากเหินความไม่ดีที่เกิดขึ้นกับขวากับใจที่เกิดขึ้นภายนอกภายนอกใจจะได้แก้ขไขตามกับหลังของเราถ้าแก้คนเดียวไม่ได้ก็ชวนคนอื่นไปช่วยให้ทําความดี ให้ความดีเกิดขึ้นจากชีวิตของเราแม้ไม่มากก็ให้น้อยยิ่งพวกเราเป็นจัดสังคมครอบครัวผัวเมียพ่ อ, มพอแม่ลูกหลานเพื่อนบ้านก็ยิ่งมีโอกาสที่ทำความดีมีประโยชน์จริงๆหุดน้อมบอกขอสันหลาอันต่งางๆเรประโยชน์ ให้เป็นส่วนรวมชีวิตของเราเป็นส่วนรวมถ้าเราทำความดีก็เป็นส่วนรวมถ้าเราทำความชั่วก็เป็นส่วนรวมถ้าทำความชั่วเราก็เดือดร้อนคนหนึ่ก็เดือดร้อนเราทาความดีเราก็ไม่เดือดร้อนคนหนึ่งก็ไม่เดือดร้อนนี่จึงเป็น ความจำเป็นสลัดปฏิบัติธรรมเลยการเริ่มต้นวิมิสติต้องไว้ในกายาการละความชั่วก็ทำอย่างนี้การทํำกบดีก็ตั้งต้นที่นี่มีกายมีวาจามีใจจะผิดจะถูกก็ถูกตรงนี้ผิดตรงนี้ เป็นชุดเป็นหลักฐารเป็นชุดสำเร็จแล้วที่มนุษย์คนหนึ่งที่เป็นสามัญชนค้นพบสอง0ันหรอยปีมาแล้วเป็นของจริงเราก็สามารถพิชูดได้ทุกวันนี้ แต่ประทมอย่างองื่นมันก็ไม่จบไม่สิ้นที่จะให้เกิดความดีเป็นสังคมแน่และมีของทัพมีอาวุธมีธรรม น, นุนมีกฎหมายมีทุกเป็นตารางก็ยังเอาไว้อยู่ถ้าไม่ตั้งที่ตรงนี้ถ้ามาตั้งที่ตรงนี้าา ท, นทุกคนก็ทำอันเดียวกันมาอันเดียวกันเป็นอาเดียวกัน ได้่ใเพียบเดียวกันทำมาไปไหนนี่เหมือนช่นด้าอยดอกไม้ ด, ดอกไม้ต่างต้นต่างสีต่างกลิ่นต่างลักษณะพวกเราทุกคนก็ลูกต่างพ่อต่างแม่ต่างไม่ใจใจโคอานานาจิตต่างเมื่อช่นด้ยร้อยเหมือนกับดอกไม้ให้เข้าเช่นด้ยเสีย มันก็เป็นพวงมาลายัยดูสวยงามเป็นระเบียบเพราะเหมือนต่างกันมนาะอยู่ในระเบียบโอ้ยิงผู้ชายคนหนุ่มคนเก๋เพศละที่ใดนี้กายใดเป็นระเบียบเดียวกันหรือเหมือนอิอดหินดินปูนอยู่กระทุ่งละที่เอามาผสมกันนะ้าปูนลงไปเทใช้พิมพ์ จะเป็นพิมพ์แบบไหนก็เป็นเทือกต้นเสาเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมก็เป็นกลมๆก็เป็นคลมๆก ล, ลาเป็นคอนติดเข้มแข็งแข็งแรงใช้งานได้สร้างบ้านสร้างตึก20 3สบสาสิชั้นได้ก็อันเดียวกันหรือเหมือนส ร, ร้างก้านราวอันล็ก็ การเดียวมันกวดขยะไม่ได้มารวมกันซะให้เป็นไม่กวดกวดอะไรก็ได้ยุทของเราก็เช่นกันต้องเรียกร้องให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นมามีกรรมวิธีมีแบบและเป็นศาสนาก็ศาสนาบุคคลมีคนมีศาสนาวัตถุก็มีวัตถุริงของ ที่จะต้องใช้ให้มันสะดวกใ น, นการสร้างความดีสาสนาพิธีก็มีพธิธีวิธีทำศาสนธรมนรมก็มีเกิดขึ้นได้กันเดียวกันศาสนาบคนุคคลเป็นคนละอย่างเป็นคนลวคนศาสนวัตถุกาเป็นคนละแบบสาสนาพิธีอาจจะเป็นคนละแบบ แต่ศาสนสาธรรมอันเดียวกันเพื่ออันเดียวกันคือมีสติอันเดียวกันทำแบบใดก็มีสติหลักการปฏิบัติทำในประเทศไทยนี้มีอยู่สีห้าอย่าง6อย่างหรือมากมายก็ตามในลูกก็เพื่อมีสติในการจะเกิดความดีจึงจะรับความชั่วได้ เอาเช่นเทีท่ในกายเราได้สติทนั้นนีในกายก่อนพูดก่อนทำก่อนคิดขณะที่พูดที่ทาที่คิดก็มีสติจะไปสู่ อ, อันเดียวกันมีสติทุกคนก็เป็นคนอนเดียวกันถ้ามีความหลงก็เป็นคนละคนกันไปอาศัยไม่ได้ แม่แต่ตัวเรานี้ถ้าหลงก็เอาใจไม่ได้แล้วถ้าหลงก็มีโกรธมีฉุกมีทุกข์มีลอกมีช่องมีอะไรต่างๆเยอะแยะถ้ามีรู้จึกตัวก็เป็นเดียวกันแล้วแล้วของชั่วทำกุศลมันกันหมดนี่คำสอนที่เป็นจัดจะทำเป็นันเดียวกัน สัจธรรมอย่างนี้ไม่มีคำถามสัจธรรมอย่างนี้ไม่แต่คำตอบทุกคนตอบได้เองถ้าไม่ทำก็ตอบไม่ได้ความหลงเป็นอย่างไรความรู้สึกตัวเป็นอย่างไรความทุกข์เป็นอย่างไรความไม่ทุกข์เป็นอย่างไรความโกรธเป็นอย่างไรความไม่โกรธเป็นอย่างไรตอบได้เอง ถ้าคนได้เห็นเ ko ร ada, prendre, า, า, Ver, าไม่ทิ้งความทุกข์ความโกรธไว้ในรูปในนามในการในใจาพราะไม่ถูกต้องต่อคนที่ไม่รู้ก็ยืดเตาเป็นตัวเป็นตนทำตามความทุกข์ทำตามความโกรธผลทุกข์ผลโทษจะตัวเองและคนอื่นผู้ไม่รู้ัวใจในความโกรธถ้าได้โกรธตายไม่ลืม ามตามความโกรธเสียผู้เสียคนคนที่ถูกทำก็ตดือดโลนเหมือนอนหนังสือพิมพ์คนขับรถหลับจ้างสามลอ้อถูกปนเก็อไม่มีเงินไม่มีเงินก็ไม่ยอมว่าถึงกับ มีแทงเข้าไปแทงเข้าไปก็บอกกลัจะตายจริงๆ ก, ก็เลยบอกกันอยู่ใต้บอ่อก็ไปเอาเงินใต้บ่อได้สามรอยบาทยกมือขอโทษ่าก่้าก่อนได้ก็ได้เงินได้ก็มาแทงอีกซ้อมจนตายขามืออย่างนี้ ้าทำให้คนหาเลี้ยงลูกเรื่องเมียเดือดร้อนต้องหายตายไปเพราะคนไม่ดีมันก็เป็นทุกข์เป็นโทษต่อคนดีนีไม่พ้นเราจึงมาชวนกันให้สนใจเรื่องการเรื่องใจนี้มีสติก่อนพูดก่อนทำก่อนคิด มันจะละความชั่วจะทําความดีในคราวเดียวกันนั่นแหละให้เห็นกนระแสอย่างนี้มันจะไม่จนต่อความชั่วจะได้อยู่ด้วยการดความสงบร่มเย็นอย่างนี้ปฏิบัติธรรมประโยชน์พบองค์จนต่อเป็นกระวาดผู้คลองเรือนก็ดีถ้าเป็นตัวข้าก็บครูอาจารย์ก็ดี เป็นนักบวชก็ดีทำหน้าที่ปฏิบัติธรรมก็ทำตามหน้าที่ให้ดีที่สุดไมาใช่จะมานั่งหลับหูหลับตาอยู่ในวัดในวาผู้มีงานมีหน้าที่ก็ไปรับไปชอบผู้ไม่มีหน้าที่ก็มาช่วยกันเป็นนักบวชไม่มีอาชีพ อันใดที่จะมีหวังจะล่ำจะรวยมาเป็นอาชีพเพื่อบอกเพื่อสอนคนอื่นเป็นทั้งผานโรงเผ้าสถานที่ไว้ให้ก็ได้มาก็ช่วยดูแลรักษาปฏิบัติธรรมน่อมกันแล้วก็มีความเป็นอยู่ได้มีผู้ช่วยมีผู้วัญชาญาตโยมผู้มีกำลังก็ช่วยเหลือ ผู้ใดไม่มีกำลังก็ไม่เป็นไรที่ไม่ต้องเช่าเขาไม่ต้องซื้อก็ได้อย่าป้าเป็นหนี้เป็นศีนมาใช้ได้เลยบางคนคร้างกะติสาลาไว้พอสร้างเสร็จเขาก็บอกกุญแจมอบให้กะตีหลังนี้หนูสร้างไว้ให้คนมาอยู่ปฏิบัติธรรม ถ้าคนมาปฏิบัติธรรมบุญออกหลอกถ้าคนไม่มาบุญก็ไม่ออกหลอกก็ว่าอย่างนี้ผู้ที่สร้างกติกาเรามาพักกติกาให้เขาเขาได้บุญเขาออกหลอกเหมือนเงินฝากธนาคารออกหลอกพวกมันม่ใช่ได้ประโยชน์แต่เราจะดูออกต่อการทําความดี ทุวันนี้ก็จําเป็นต้องมีที่หัวซอ ย, อยไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนธรรมชาติเป็นเพื่อนของมนุษย์ไม่มีโทษนม่มียัยทุกวันนี้มนุษย์ทำลายธรรมชาติธรรมชาติลงโทษมนุษย์สลดโลกคอมีที่หัวซอ ย, อยแตก่อนกินน้ำร้อยวัวร้อยัวยได้ ท, ที่ไหนก็จินได้อาบได้ทุกวันนี้ไม่ได้อากาศต้องมีสถานที่มางทีก็ต้องซื้ออากาศตัวด้วย น, นั่นจึงก็สูญเสียธรรมชาติเพราะคนทำลายถ้าเรามาศึกษาธรรมะจะเป็นการครบบงจรของโลกก็ว่าได้ ยิ่งเหล่านี้มีจิตวิญญาณซึ่งเป็นใหญ่ซุกซนดื้อด้านจิตวิญญาณมีจริงๆรืงที่ว่าวิญญาณาานาธาตุนี่รู้อะไรได้ใช่ไมมถูกก็เสียได้ใช่ถูกก็มีประโยชน์ในว่าจิตวิญญาณติดเล่าที่ผุหีติด สวมชั่วก็ได้ทําก็ดีไม่ได้เลยวิญญาณใช่ไม่ถูกต้องติดไปอันที่2ก็คือเศรษฐกิจอาชีพต้องมีงานมีการทําเป็นสัมมาอาชีพให้ถูกต้องประมิชฌาอาชีพก็ไม่ถูกต้องต้องมีธรรมะจะเป็นจิตวิญญาณที่ดีส ม, มอาชีพที่ดี เรือจากการหันหาทรัพย์รักษาทรัพย์เสกจ่ายทรัพย์นี่รว่า อ, อาชีพอันที่สองสามกเ็เรียกว่าสุขภาพแล้วก็มีกายมีสุขภาพถ้าไม่เป็นก็เกิดโลกก็จิตออวิญญาณไม่ดี อาชีพไม่ดีก็เป็นทุกข์เป็นโทษต่อสุขภาพตอนนอนหาเรื่องบังทิดจิงยานได้ดีนั้นที่ได้พักผอนกระทบกระเทือนต่อสุขภาพกันที่สี่ก็ระเบียบวิ น, นัยระเบียบวิ น, นัยสำคัญกานต้นชวนรวม หรือว่าจำเป็น4อย่างนี 1. หละกอิยวิญญาณ 2. องอาชีพสสุขภาพ 4. ีลระเบียบวินัยเนี่ันเป็นของส่วนรวมจำเป็นต้องมีโดยเฉพาะปฏิบัติธรรมเนี่ยครบวงจนทั้งหมด ผิดศีนตั้งแต่คิดเนี่ยมันจะไปทำชั่วได้อย่างไงมันเบียบไไหนก็ดีเศรษฐกิจก็ดีหรืออาชีพก็ดีจิตวิญญาณก็ดีสุขภาพก็ดีเดีย๋ยวนี้ก็มีมือสองความผิดพลาดเกิดจากมือสองเรื่องชบุรีมือสองเราไม่ได้ชู คนอื่นเขาสูกแต่แล้วก็เป็นการสูบบุหรี่มือสองปีทุกปีโทษเหมือนกันแล้วเกิดไว้ไหนมือสองเราไม่ได้ทำผิดเราเดินทางขับรถขับเรือเราก็ตั้งใจแต่คนอื่นเบาสมาชนเราขอหักไหลหักไปดู โยมที่เป็นครูอาถากวันนี้อยู่ผู้เขียวรถชนในช่วงสงการานต์หาหักไหลหักเขามาชนคนนั่นเมามาช น, น, นมือสองสุขภาพมือสองนี่ไฟเหมือนกันในโลกดีประทังไหนไม่ค่อยปลอดภยัยจะทำยังไงกัน เชิชวนมาปฏิบัติธรรมแน่แน่นอนที่จุดตรงนี้แน่นอนเราขอเป็นประกันเชิหยดต่อขา้าสอนผุที่เจ้าว่าถูกต้องจริงจริงที่ผิดที่ถูกโดยจริงจริงเชื่อมัน100่นร้อยเปอร์ซตเปอร์นทำอย่างนี้ทำอย่างนี้